คนดีทำไมตายไม่ดีถามรู้จักคนดีๆคนหนึ่งสงสัยว่าทำไมคนทำดีมาตลอดชีวิตถึงตายร้ายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์สยดสยองได้ขนาดนั้นตอบเราเห็นด้วยตาเปล่าว่าเขาตายไม่ดีแต่ไม่รู้นี่ครับว่าเขาไปดีหรือไปร้ายความตายคือการจบในสายตาของมนุษย์แต่ในโลกวิญญาณแล้ว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 ไหนว่าทำดีแล้วผีคุ้มไงเรื่องจริงก็คือทำดีแล้วไม่ใช่มีผีติดตามไปเป็นบอดิการ์ให้หรอครับทำดีแล้วมีกรรมเป็นผู้คุ้มครองต่างหากและบางทีกรรมก็ไม่ได้คุ้มครองอย่างเดียวแต่ยังอาจช่วยส่งเสริมให้สบายขึ้นกว่าเดิมด้วยญาติพี่น้องข้างหลังพากันเศร้าสลดกับสภาพศพที่ตายเกลือนแต่เหล่าวิญญาณอาจกาลังพากันหวเราสดชื่น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 ถ้าถึงจังหวะหนึ่งมีโอกาสประสานกันก็อาจส่งรถบรรทุกเจ้ากรรมมาประสานงาเอาดือด้อๆพวกตายคาที่กระทันหันนั้นมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆครับ 1. คือเคยลอบฆ่าเข้ามา 2. คือถึงเวลาไปเป็นวิญญาณผีตายโหงหรือลงนรก 3. คือสมควรได้สวยสวรรค์สถที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 แต่สำหรับบางคนขาดปัดจจัยพื้นฐานที่จะสวยสุขในโลกกรรมดีใหม่เลยจับมือกับกรรมชั่วเก่าส่งกระทิงมาขิดตายก่อนกลับถึงบ้านอันนี้ขอให้รับฟังไว้เป็นความรู้ประกอบรู้ไหมครับวันพรุ่งนี้จะมีคนตายเพิ่มอีกประมาณหนึ่ง0ห้าห่นคนในขณะที่ก่อนจบเที่ยงคืนวันนี้ ก็มีล่วงหน้าไปแล้วเป็นจํานวนเฉลี่ยประมาณเดียวกันหมายเหตุ hate, นี่เป็นสถิติคนตายในสมัยที่คุณดังตรินเขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งนานมาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันมีจํานวนมากกว่านี้นี่เป็นเรื่องที่พวกเราไม่รู้เห็นด้วยตาเปล่าแต่เกิดขึ้นจริงและพวกเราก็ล้วนสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นหนึ่งในกลุ่มแสนห้าที่ว่าในวันใดวันหนึ่งด้วย ความตายมาถึงแน่และมาจุราชคงไม่อาจเอาใจเลือกวันละแสนห้าห 0,000 ื่นวิธีใดๆให้กับคนตายทุกคนไว้ประเด็นจึงไม่ใช่เลือกตายให้รู้แต่ควรเตรียมใจตายด้วยจิตที่เป็นกุศลเพื่อความอุ่นใจเพื่อเป็นประกันว่าหลังความตายอันไม่อาจพยากรณ์วิธีและวันเวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องเป็นวิญญาณ หวนมองย้อนกลับมาเสียดายศักยาภาพสร้างบุญสร้างบารมีของมนุษย์กัน